สมปรารถนาเพราะปฏิบัตดิดีหลวงพ่อสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาเนี่ยมันสาเร็จหมดยังเหลือแต่พระนิพพานอันเดียวเท่านั้นอยากได้พระสมเด็จท่านก็มาเองอยากได้เหล็กไหลก็มาเองเพราะอาศัยการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ คนเขาเที่ยวหาจนจะเป็นจะตายจนฆ่ากันตายนับไม่ถ้วนต้มแกงกันเขาก็ยังไม่ได้ตายทิ้งไปเฉยเฉยหลวงพ่อมีแต่สวดมนต์ก็มีผู้เอามาให้เวลาให้เอาใส่มือให้แล้วให้ปลาลงน้ําด้วยพอเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับหลวงพ่อเองถามว่าทําไมถึงให้ทําอย่างนั้นเสี่ยงบารมีถ้าหลวงพ่อไม่มีบารมีปลาลงน้ําท่านก็หนีไปเลย กลับไปหาอยู่เจ้าของเดิมโน้นถ้ามีบารมีแล้วท่านจะมาอยู่ในขันดอกไม้ของหลวงพ่อภายในสามวันไปบีบดูดอกบัวเห็นอยู่ในดอกบัวดอกบัวตุมต่มๆไม่มีรอยคลี่เลยเป็นไปได้อย่างไรพราะหลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่ๆไปเปิดตู้ก็ไปเห็นพระสมเด็จองเบอร์เร่สมเด็จทรงไกเซอร์ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนอกจากจะได้คุณธรรมแล้วยังพลอยได้วัตถุตามหลังมาด้วยเป็นผลพลอยได้แล้วหลวงพ่อสร้างอะไรต่ออะไรนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาเรื่อรายใครเพียงแต่ปรารบก็มีผู้หยิบยื่นให้เมื่อสองถึงสวันเนี่ยสร้างอนามัยอยู่ที่วัดวะภูแก้วแห่งหนึง่งที่นี่แห่งหนึง่งหลวงก็ให้ทุนมา แต่มันก็ไม่พอเราก็ต้องช่วยเขาเมื่อส3าวันผ่านมานี่ขึ้นไปผู่แก้วคุณเปียกคุณกรอบชัยเขานัดพบไปก็ไปปรารภว่าอนามัยท่านขาดอะไรขาดแต่รถยนต์รับส่งคนไข้เออจะเอามาถวายเราบอกว่าคันเดียวไม่พอนะต้องสองคันเพราะอามัยมมีสองแห่งเขาบอกว่า เขาจะไปขอคุณแม่เขาคันหนึ่งเขาจะให้คันหนึ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเป็นอนิสง์ของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องบางทีความดีเราทําไม่ถึงและทําไม่จริงไม่จังแต่เราต้องการผลประโยชน์มันก็เหมือนเหมื อ, น, มอ น, มนกับชิงสุกก่อนหามความดีไม่ทําแต่อยากได้ดีเหมือนคนไปทํางานในโรงงานต่างๆอยากได้ค่าแรงสูงสูง แต่ทำงานไม่เต็มที่เบี้ยวงานอยู่เรื่อยผลประโยชน์ของบริษัทมันก็ลดน้อยลงรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเขาจะเอาอะไรมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เราเพราะเราก็โกงแรงงานเขาโกงเวลาทำงานเขาอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นความจริงทำจริงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาขยันไหว้พระสวดมนต์ เราจะได้ภาคภูมิในคุณงามความดีของเราอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันมีอยู่แค่เนี้ยหลักปฏิบัติใครมีพ่อมีแม่เคารพบูชาพ่อแม่ของตนเองให้มากๆเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขสบายตามความสามารถของเรา สามีภรรยารักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้ความเมตตาแก่ลูกเต้าของเราให้มันมากๆอบรมสั่งสอนให้มันตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันนี้เป็นแนวทางแห่งการสร้างความสุขให้กับครอบครัวมันอยู่กันที่ตรงเนี้ย